อย่างเช่นเรายกแขนใช่ไหมครับเรารู้ว่าเรายกแขนใช่ไหมครับแข น, นเรารอลูกตรงนีนง้น้องบอกว่าน้องยกแขนเป็นเป็นน้องที่รู้ว่าน้องยกแขนถูกไหมครับออเดี๋ยวผมนิดนึงคือผมเราฉันเนี่ยครับมันคือสมมติมันญยัดแต่ถ้าเกิดจะเอาไอ้ว่าเอาไอ้สมมติบันญยัดเนี่ย มาบอกว่านี่ไงคุณมีพคคุณมีผมคุณมีตัวตนอะไรอย่างนี้ครับเวลาการสนทนามันจะไม่สามารถสนทนาได้การสนทนาเนี่ยมันคือสนทนาจากสมมติบัญญตัติต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าครับน้องน้องพูดยังไงก็ได้ครับแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะพูดในในความเข้าใจของพี่น้องก็พูดในความเข้าใจของน้อง หลวงพ่อก็จะพูดในความเข้าใจของหลวงพ่อคือแต่และคนเข้าใจยังไงก็พูดตามที่ตัวเองเข้าใจนี่คือประสบการณ์และเคืือกูลกันฉันมิตรคือหวังดีไม่หวังไรเลยครับก็ก็อย่างพี่จอมบอกฮะอ่าน้องอาจจะว่าเป็นผมเป็นแรงไม่ต้องซีเรียส น, นะครับเพราะว่าพระเจ้าท่านก็ว่าตถาคตคือเราตถาคตท่านใช้ว่าเราเลยครับไม่เป็นไรครับเช่นเดียอดีผมเราแหวกผมไปเจอสำนักหนึ่งไม่ได้เรียกผมไม่ได้นะในคุณมิ้อ ถอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไอ้ผมบอกคุยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมุติเรายกแขนใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าเรายกแขนใช่ไหมครับแล้มีสติไอ้ตัวรู้เนี่ยหลักการที่ผมเข้าใจนะครับมันก็คือจิตไปรู้มันก็เกิดการปรุงแต่งการปรุงแต่งสตินี่ก็คืออยู่ในสังขารอยู่ในหมวดสังขารมันจะมีจิตเกิดขึ้นร่วมกับเจตสิกใช่ไหมครับเอาข้อ ข, ข, ข่าวก็คือวิญ ญ, ญาณอะตัวรู้ ในขันห้าเรารู้ว่ารูปมันเคลื่อนที่ทีนี้เขาบอกหลักการมันคือพอเรารู้เสร็จเนี่ยพอจิตเกิดขึ้นร่วมกับเจตสิกเนี่ยมันก็จะเกิดแล้วมันก็ดับพอมันดับไปเนี่ยมันจะเกิดเ้าเรียกว่าสันตติตัวที่เกิดใหม่เนี่ยมันก็จะไปรู้ไอ้ตัวที่จิตที่ไปรู้เมื่อสักครู่อย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็คือขันห้าที่ผมถามเมื่อวานคือผมเข้าใจอย่างนี้ผมก็เลยงงว่าทําไมถึงเป็นมากกว่าขันห้า มันก็คือไอจิตที่เกิดดับอะที่มันไปรู้รูปอะถ้าพูดถึงตามมันจะสอดคล้องกันหมดเลยครับถ้าไปพูดถึงปฏิจจามันก็จะเกิดวิชาเกิดสังขารเกิดภาษาสลายตนะเกิดเวทนาใช่ไหมครับเรายกขึ้นรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เกิดมันก็เราก็รู้ใช่ไหมครับไอสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันดับแล้วไอตัวจิตจาริกที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะไปรู้ไอตัวเก่า เร็แล้วก็ดับอีกแล้วมันก็จะเกิดใหม่มันก็ไม่รู้ตัวเก่าอีกแล้วก็เลยรู้ที่บอกว่ารู้ที่บอกรู้ตัวที่ถูกรู้อ่ะก็คือไอ้วิญญาณอ่ะตัวรู้เนี่ยมไปรู้ไอ้วิญญาณตัวเก่าที่มันเกิดขึ้นไอ้การที่มันรู้ต่อๆกันเนี่ยมันยังจําได้จนถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิกับสติที่ดีดีเนี่ยมันจะไม่รู้ทันมันจะไม่เห็นมันจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับ คือที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือแค่มันเกิดจากการเกิดดับหลายๆครั้งแต่เราไปรู้ว่าไอ้สิ่งที่มเกิดขึ้นไปแล้วดับไปแล้วไอ้ตัวใหม่ที่ไปดูไปรู้เนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเราก็เลยรู้ไอ้สิ่งที่มันถูกรู้ครั้งแรกเนี่ยมารู้วิญ ญ, ญาณเนี่ยไปรู้ว่าแขนยกมือแขนยกขึ้นมาวิ ญ, ญญาณไปรู้เสร็จแล้วไอ้ตัววิญ ญ, ญาณที่ มันเกิดขึ้นแล้วดับแล้วตัวใหม่ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไปรู้ให้ตัววิ ญ, ญญาณองคเก่าอย่างนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามความคิดของน้องก็ก็ ก, ก็น้องก็พูดไปเนาะแต่ว่าพี่ก็ได้ศึกษาแบบน้องมาเหมือนกันสมัยก่อนก็คือว่าเออเป็นลักษณะที่จิตรู้โดยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นธาตุรู้ทั้งสองทั้งสองอย่างนี่เป็นนามธาตุเป็นนา ม, มาาเป็นนามนะเนาะแต่ว่าถ้า ถ้าแบบพูดภาษาไทยง่ายๆเนี่ยพี่ตอนที่พี่ยกมือนั้นพี่ก็รู้ว่าพี่ยกมือแล้วก็ไม่มีใครมาเถียงพี่ได้หรอกเพราะพี่รู้ว่าพี่ยกมือแล้วใครจะว่าพี่นั่งอยู่พี่ไม่ได้ยกมือคนอื่นก็ก็พูดไปได้พูดไปได้เรื่อยแต่ว่าพี่รู้ว่าพี่ยกมือดังนั้นเนี่ยก็ยังรู้ว่าพี่รู้แล้วก็เรื่องจิตใจศีกพี่ก็ยังรู้ว่าพี่รู้เรื่องจิตใจสิกเหมือนเหมือนกับรู้เรื่องเหมือนกับรู้เรื่องเรื่องเรื่องของจิตใจสิกนะครับ เป็นเราเป็นพี่รู้ทั้งหมดเลยเป็นเรารู้ทุกอย่างเลยแต่มันยังไม่เกิดภาวะที่เป็นเป็นเป็นเรื่องของการถูกรู้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาพูดไม่มีครูบามาเตื้องกูนนั้นครับไม่มีทางรู้เหมือนกับว่ามันรู้ยากครับเพราะมันมันเป็นเรารู้เรื่องจิตเตร์สิกเราเราเรารู้เรื่องรูปแล้วก็เรารู้เรื่องว่าเรายกมือดังนั้นพี่ต้องกลับอนุโมทนาที่หลวงพ่อเมตตาตรงนี้ว่า ไม่นั้นพี่ก็อยู่แต่เป็นพี่พี่รู้เป็นเรารู้ทั้งหมดทั้งสิ้นตรงนี้เดี๋ยวถ้าใครๆหรือว่าหลวงพ่อเมตตาต้องกาบอนุโมทนาในส่วนนี้ครับแล้วหลวงพ่อช่วยช่วยผมทีครับแป๊บหนึ่งครับพี่ พ, พี่จอมพลเดี๋ยวผมขอคุยด้วยอีกนิดนึงครับพี่คือปัญหาเนี่ยคือผมผ่านเคยผ่านมาผมถึงถึงทราบว่ามันมีมันจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าพี่เทพพี่จอมพลฝึกอย่างนี้ต่อไปอ่ะครับมันจะเห็น มันก็จะเห็นอารมณ์มากขึ้นเห็นชัดขึ้นแต่ว่ามันจะหยุดอารมณ์ไม่ได้ครับไ ม, ไม่ไม่เชื่อลองอยู่ลองลองฝึกไปเรื่อยๆก็ได้ครับก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดครับก็คือต่อให้พี่เห็นชัดเลยว่าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเนี่ยมีสติเนี่ยถ้าฝึกถ้าช่วงไหนฝึกเยอะเนี่ยมีสมาธิที่เข้มแข็งเนี่ยอาจจะระงับได้แต่ว่าถ้าแต่ว่า ม, มันหยุดไม่ได้นะมันยังร้อนลุ่มอยู่ในใจอย่างนี้ครับถ้าฝึกไม่มากหรือสติสมาธ พี่ไม่มากพอเงี้ยมันก็จะรู้นะครับก็โกรธเสร็จแล้วความโกรธก็จะครอบงามเนี้ยครับปัญหามันคือคือมันคือตรงเนี้ยครับ ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าฝึกแค่นี้นะครับเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือ น, นกันไหมครับหรือผมอมหรือไม่เหมือนลองแชร์ประสบการณ์คือ ป, ปัญหาตอนแรกที่เรียนปฏิบัติมานะครับพี่พี่พี่พี่มีความเชื่อว่าถ้ารู้รู้ตำรามากรู้รู้รู้รู้หนังสือมากรู้ตำรามากนี้ มันจะไม่เข้าใกล้ความจริงพี่ไปปฏิบัติมา20ปีในสายงานหลวงพ่อเทียนเพราะมาเน้นแต่ความรู้สึกฝึกให้มันให้มันได้เรื่องได้ราวมางเพราะว่าพี่เชื่อว่าไอเวลาความโกรธนั้นครับมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวหนังสือทีละหรือกิเลตมันไม่ได้สามารถออกมาเขียนเป็นตัวอักษรได้ทีละอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่พี่ฝึก20ปีความรู้สึกตัวฝึกกันแบบเข้มข้นอันที่สองคือพี่ก็มาเห็นว่าเออ ในขณะที่พี่ฝึกนั้นก็ยังเป็นตัวพี่อยู่ที่ฝึกเป็นตัวเราที่ไปอยากฝึกมีโลภะด้วยพี่ก็เออถอดมันตรงนั้นว่าเออไม่เอาแล้วทิ้งแล้วยี่สิบปีพี่แบบเป็นคนเปิดใจที่จะฟังอะ่ะพอพี่เลิกปฏิบัติยี่สิบปีพี่มาสนใจในเรื่องอภิธรรมสี่ปีแต่ประเด็นสําคัญมันมีวันหนึ่งพี่ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบปฏิบัติหรือแบบไปฟังอภิธรรมฟังมากอะไรต่างๆนั้นใครฟังล่ะใครปฏิบัติล่ะมันเหมือนคําถามง่ายๆอ่ะครับ แต่ว่าพี่ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าพี่ยันไม่ดื้อเนื่องจากพี่ก็บอกว่าพี่นี่แหละปฏิบัติพี่นี่แหละฟังแต่ถ้าถ้าพี่เฉฉัยในเรื่องของพระพิธามคิดพี่ก็บอกว่าเออไม่ใช่พี่เป็นจิตเป็นปัญญาที่ทำพี่ก็ไม่ตรงสักทีอะครับแต่พอพี่ตรงว่าเออพี่เนี้ยทำอยู่พี่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าพี่ไปปฏิบัติพี่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าพี่ไปฟังเพราะพี่เชื่อมั่นว่าสาวกคือผู้ฟังสาวก ของพระพุทธองค์คือเป็นผู้ฟังฟังพระองค์ทุกคาพูดแต่พี่ก็ลืมไปว่าเป็นพี่ฟังอยู่เป็นพี่ใส่ใจฟังอยู่มันเหมือนกับว่าไม่หลุดจากตัวพี่สักทีหนึง่งก็เลยก็เลยต้องเปิดใจฟังอีกทีหนึ่งว่าหลวงพ่อพูดอะไรกันแน่ เ, เนี่ยเป็นถูกรู้ถูกรู้ก็เลยก็เลยถ้าเราศึกษาพิธรมนั้นเราจะรู้ว่าจิตมีสภาพรู้และก็สิ่งที่ถูกจิตรู้นี่เขาเรียกอารมณะหรืออารมณ์ พูดง่ายๆว่าพระชาวบ้านเขาเข้าใจว่าอารมณ์มันคืออารมณ์ดีอารมณ์เสียเป็นเรื่องของอารมณ์แบบนู้นแต่พวกที่อภิพวกในอภิธรรมเขาว่าอารมณะหรืออารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เช่นขณะนี้เห็นเห็นอะไรเห็นสีสีเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ดังนั้นสีกับจิตนั้นคนละอย่างกันดังนั้นมันจะเป็นตัวเดียวกันได้ยังไงอะสีกับสิ่งที่เห็นนั้นเห็นกับสีนี่คนละอย่างเห็นก็เป็นเราเห็น ส่วนจิตส่วนส่วนสีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นดังนั้นสีจะเป็นอารมณ์ในภาในภาษาบาลีสีนั้นเป็นอารมณ์ของจิตดังนั้นมันเป็นคนละตัวแต่หลวงพ่อมาชี้เห็นว่าวันนี้นั้นมันเป็นเรารู้ทั้งหมดแต่ตราบใดที่วันหนึ่งที่เราถูกรู้นั้นมันก็กลายเป็นกลายเป็นเชกเช่นสีเมื่อกี้ทะแล้วเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผมก็เลยเก็ตเลยว่าโอ้หลวงพ่อสสอนแปลกๆ ก, ก็เลยต้องมาฟังอ่ะครับ ว่าสอนยังไงว่ามีสิ่งที่ถูกรู้ยังไงดังนั้นถ้าถ้าน้องเลนยังอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ไม่ไม่ออกห่างจากกลุ่มนี้ก็ฟังไปก่อนนะครับรู้มัง้งไม่รู้มั่งไม่เป็นไรก็คือภาษาบ้านเราทูซี่ฟังไปก่อนนะครับวันหนึ่งก็จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้คืออะไรต้องกับอนุโมทนาในกุศลที่ตั้งใจฟังนะครับถ้าหลวงพ่อชี้แนะยินดีครับ เดี๋ยวเราพี่จอมพงยังไม่ตอบผมเลยครับสรสุปนี่พอ ม, มาฟังหลวงพ่อแล้วได้ลองทําตามที่หลวงพ่อสอนเรามีปัญหาอย่างที่อ่านี่นะเดี๋ยวฟังดีๆเนาะฟังดีๆฟังดีๆเอ่อเมื่อกี้แต่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าหลวงพ่อก็ยกมาพูดเพื่อระลึกย้อนหลังขึ้นไปนะก่อนเนี้ยโอเคอ่าโยมก็พูดถึงเรื่องจิตกับเตจสสิกเอาสองตัวปอบนะว่าจิตเป็นยังไงนะโยมก็คือรู้มาแล้วว่าจิตเป็นยังไง เจตสิกเป็นยังไงอันนี้ยรู้แล้วแสดงว่ารู้เรื่องจิตกับรู้เรื่องเจตสิกพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนเนี่ยคือขาดการเฉลียวใจไปว่าอ๋อไอจิตเจตสิกมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะแต่มีลึกๆเบื้องหลังเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้รู้เรื่องจิตกับเป็นผู้รู้เรื่องเจตสิกนะตอนเนี้ลึกๆเลยมีเราเป็น ผู้รู้ถ้าลองมีคนมาบอกสิว่าเราเนี่ยรู้ไม่จริงรู้ผิดรู้ถูกมันจะโกรธทันทีเลยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เรื่องจิตกับรู้เรื่องเจตสิกถ้าเป็นแบบเนี้เขาเรียกว่ารู้ผิดตัวรู้ผิดตัวยังไงคือมีตัวเราไปรู้เรื่องจ <paper ingt> ิตกับเจตสิกแต่ถ้ารู้ถูกตัวเนี่ยต้องมารู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เรื่องจิตเป็นผู้รู้เรื่องจิตเจตสิกต้องรู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้ เนี่ยอย่างเนี้ยรู้ตัวเราแบบเนี้ยมันจะหลุดพน้นมันจะพ้นทุกข์เพราะว่ามันจะเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันเป็นเป็นสังขารม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะตรงนี้เป็นเส้นผมบางภูเขาติดเดียวแค่นั้นเองอเถ้ากลับมารู้ตรงนี้ได้ว่าโอ้มีตัวเราเป็นผู้รู้โทไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งน้อยคนนักที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ก็เลยพลาด พลาดที่จะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ไปหมดแต่ไม่รู้ตัวเองรู้ตัวเองที่กําลังเป็นผู้รู้กําลังอธิบายเนี่ยว่าไอา้ตัวนี้ยเป็นตัวแสบที่สุดเป็นตัวที่มองไม่เห็นนะงั้นหลวงพ่อชี้จุดสําคัญตรงเนี้ยก็ต้องกลับมารู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้อธิบายนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อรู้เสร็จแล้วก็ทิ้งมันไม่เอาเพราะว่ามันเป็นของยึดไม่ได้ทีนี้เมื่อรู้อย่างเนี้ยก็คือหลุดพ้นไงหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากตัวเราที่เป็นผู้รู้ ผูพ้พูดผู้คิดผู้เข้าใจทิ้งหมดแต่ก็มันมีอยู่นะคำว่าทิ้งในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปผักใสยหรือทําลายเพียงแต่รู้อย่างแจ่มแจ้งโดยปัญญาเลยว่ายึดถือไม่ได้เพราะตัวเราที่เป็นผู้รู้มันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเข้าโรงเผาหมดเพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยดับหมดไม่ต้องไปยึดถือว่าเรารู้ถ้ายึดถือเรารู้เมื่อไหร่แล้วอย่างนี้ติดกับเลยขําพบพข้ามชาติไม่จบไม่สิน้นตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่สุดที่หลวงพ่อชี้ มีบางคนน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะก็ฟังไว้ก่อนถ้าเข้าใจตอนนี้เดี๋ยวนี้เข้าใจแจ่มแจ้ ง, แ, จงแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็จะรู้เลยว่าโอ้สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นตรงแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ตัวรู้ตัวเพราะในตัวเราเนี่ยมีทั้งกายเวทานาจิตธรรมใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นความรู้นะที่เรารู้เนี่ยจริงๆริะมันไม่ใช่เรารู้หรอกมันเป็นเป็นความรู้ที่มีอยู่จริงแต่เราไม่เห็นไงก็เลยไปยึดความรู้นั้นว่าเป็นเรารู้ แล้วก็รู้ละเอียดละออนะอธิบายเรื่องจิตเรื่องเจตสิกลึกซึ้งแต่หารู้ไหมว่าไอ้ผู้อธิบายนั่นแหละเป็นสังขารปรุงแต่งเก็ดไหมหลวงพ่อจะลองตอบคำถามที่ผมถามพี่จอมปงไหมครับยังไม่เข้าใจแสดงว่าเอาว่ามาก็คือเมื่อกี้ผมถามก็คือว่า อย่างประสบการณ์ของหลวงพ่อครับที่ที่ทําอย่างเนี้ยครับฝึกสติปัญญาอย่างนี้ยครั บ, รรบแล้วก็เวลาเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบที่ใจผิวกับอารมณ์อย่างนี้ยครับถึงบางครั้งเรารู้แต่ใจมันก็วิ่งไปเงนี้ครับมันยังเกิดใช่ไหมครับก็มันเป็นสังขารปกตินะเป็นสังขารปกติตามเหตุตามปัจจัยครับ ไม่ได้สั่งไม่ได้แต่มีสติปัญญารู้เท่าทันรู้จักแล้วว่าสิ่งนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่เราคือบังคับไม่ได้ไงเป็นสิ่งเกิดเองดับเองตรงนี้แหละเป็นปัญญาที่คมชัดลึกก็คือว่าคือรู้ใช่ไ้มครับว่า ม, มันเกิดมันเกิดอะไรนะรู้ขณะนั้นมีสติระลึกรู้ด้วยใช่ไหมครับว่ากาลังจะเกิดอารมณ์นะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกอยากพูด รู้สึกไม่อยากหยุดพูดอะไรอย่างนี้คมีสติระลึกรู้อยู่ใช่ไหมครับแต่อารมณ์มันก็ไหลไปใช่ไหมครับหรือไม่ใช่ก็คือระลึกรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราระลึกรู้นะมันเป็นความระลึกรู้ได้เองว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วสิ่งนั้นมีอยู่หรือสิ่งนั้นไม่เป็นอะไรหรือบางทีมันไม่ระลึกรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เราเป็นผู้ระลึกรู้ แต่ส่วนมากเนี่ยผู้คนปฏิบัติเนี่ยถึงว่าข้ามไม่ได้ก็เพราะว่าไปยึดถือว่าบางทีเรารู้บางทีเราไม่รู้เห็นไหมมันมันหลงไงจริงจริงอะ่ะมันเป็นแค่ความระลึกได้ซึ่งมันเกิดเองหรือว่าระลึกไม่ได้มันก็เป็นความระลึกไม่ได้ของมันเองมันไม่ใช่เราเ อ, อ้โหถ้าเป็นเรานะเราก็สั่งได้ที่บอกว่าให้ระลึกได้ตลอดอ่ะแต่จริงๆสั่งไม่ได้ไงก็คือให้เข้าใจเนี่ยในขณะที่ฟังเนี่ยให้เข้าใจว่าความระลึกได้ก็ไม่ใช่เรา ความไม่ระลึกก็ไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งที่เกิดให้รับรู้ก็ไม่ใช่เรามันเกิดเองดับเองหมดเลยไม่ไม่ไม่เอาทฤษฎีดลครับหลบมาคุยเรื่องอปฏิบัตขิของจริงเลยของจริงเนี่ยคือบังคับไม่ได้ถูกไหมนี่กําลังพูดของจริงว่าบังคับไม่ได้อย่างสมมติเนี้ยหลวงพ่อคุยกับกับโยมเนาะบางทีเนี่ยอาจจะระลึกไม่ได้ก็ได้ไม่เห็นไม่รู้ก็มีอยู่แต่เราไม่รู้แต่ถ้ารู้ก็คือเช่นรู้ว่าเออตอนนี้กําลังได้ยิน หรือว่าความรู้สึกทางจิตใจนะรู้สึกว่าเป็นยังไงเรา ร, รู้สึกว่าโล่งโปร่งเบาไหมหรือหนักทึบตื้อหรือบุดหินลําคาลมันก็รู้ได้แต่การรู้เนี่ยมันมันไม่ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้แต่รู้ด้วยใจว่าอ๋อสภาวะนั้นมีอยู่อันนี้ไม่ใช่ตาราเป็นเรื่องที่ปัจจตังไงแต่ว่ามาพูดอ่าบอกกันให้ฟังขอขอนุญาตทําการครับขออนุญาตครับผมผมว่าเนาะถ้าเปรียบเทียบน้องเขาเนี่ย มันผมไม่รู้ว่าน้องเาเคยเรียนอภิธรรมมาหรือซึ่งมีเข้าใจละเอียดหรือเปล่าเพราะว่าการเรียนอภิธรรมเนี่ยที่ผมเรียนมาเนี่ยเขาจะไม่ข้ามคําแต่ละคําคือเหมือนกับว่าอย่างยกตัวอย่างเราผมเป็นช่างเนี่ยอันนี้คขากประแจนี่ไขควงนี่เขาเรียกว่าอ่าไอไอุปกรณ์ที่ว่าเป็นประแจปักตายประแจเลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้เครื่องมือเรียกไม่ถูกเนี่ยเวลาสรรื่อสารกับช่างหรือว่าอะไรเนี่ย มันจะไปกับไม่ได้เพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าความรู้ยังไม่ไม่ละเอียดพออภิธรรมเนี่ยแล้วพอเราบอกว่าให้ไปขับรถเราไม่รู้ไอ้ตรงไหนคืออุปกรณ์แล้วจะขับเข้าเกียร์ยังไงเนี่ยมันก็ขับไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีพื้นฐานนะครับว่าจิตเจสิตรูปปัญญาธรมมีสี่เนาะจิตเจสิตรูปนิพานเนี่ยยกเวน้นนิพานเนี่ยก็คือไม่ไม่อยู่ในขนันละนะครับทีนี้ผมมีความเห็นว่า ถ้าสมมุติว่าเราอ่าที่น้องว่าขันขันขันเนี่ยผมขอถามนยว่าขันแท้ๆที่ความเข้าใจของน้องคืออะไรถ้าเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ถูกนะครับเพราะว่าคําขององค์น่ะกล่าวแล้วเนี่ยไม่เป็นโมฆะแล้วต้องสอดคล้องกันอย่าให้เรายุคว่าคําคําว่าขันขันห้าขันห้าแต่เราไม่เคยถามว่าขันจริงๆอ่ะข้อแปลความหมายอะไรนะครับขอๆอความหมายของน้องว่าขันของน้องคือความหมายยังไง แล้วก็ผมจะได้อธิบายไปที่ถ่านดูกันนะถ่นมันก็คือกองครับมันแต่ว่ามันก็ไม่มีมันก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับอ่ะจริงๆมันก็ไม่มีอัตตาตัวตนอะไรมันคืออนัตตานะแต่แต่ว่าแต่ว่าประเด็นที่ผมคุยกับหลวงพ่อเมื่อสักครู่อ่ะมันคือที่ผมบอกว่าเอาเอาไม่ได้เอาทฤษฎีเอาปฏิบัติหมายความว่าเอาประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เมื่อกี้ผมกําลังสนทนา ประเด็นที่สนทนาก็คือว่าการฝึกอย่างเนี้ยฝึกระลึกรู้เนี่ยครับปัญหาก็คือว่าต่อให้เรารู้อารมณ์อารมณ์มก็ยังจะไหลไปอยู่ดีหมายความว่ามีอารมณ์โกรธมันก็ยังมีการไหลไปอยู่ดีมันมันไม่ขาดหมายความว่ามีอารมณ์ชอบมีอารมณ์อยากพูดยังไม่อยากหยุดพูดอะไรอย่างนี้ครับอารมณ์มันยังไหลไปอยู่ดีมันยังเกิด สิ่งเหล่านี้ต่อให้รู้รู้รู้ว่ามันกําลังจะเกิดถ้ามันจะหยุดได้ก็หยุดด้วยสมาธิอย่างเงี้ยครับกําลังคุยเรื่องประสบการณ์จริงการฝึกผลของการฝึกจริงๆว่ามันก็มีปัญหาเหล่านี้อ่าอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมอะทำํำผมมีปัญหาอย่างนี้ผมก็เลยถามว่าหรอกพ่อมีปัญหาเหมือนกันไหมแล้วที่ผมบอกอะเอาเรื่องจริงเอาที่ผลสำลีจริงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่า มันก็เป็นอย่างที่ผมเป็นมาเอ้เป็นอย่างที่ผมเป็นไหมหรือว่าไม่เป็นอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดถามว่าขันคืออะไรถ า, ถามผมผมก็บอกว่าขันมันก็เป็นกองแบ่งเป็นห้ากองเป็นกลุ่มกองอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าอันนี้ผคุย ก, กับหลวงพ่อไม่ใช่ปเด็นเรื่องเรื่องอภิธรรมเป็นเรื่องอคุยเรื่องประสบการณ์อย่างนี้ครับเดี๋ยวหลวงพ่อขออีกนิดหนึ่งนะให้อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันขณะเนี่ยบางทีเรา เราเอาเหตุการณ์ในอดีตเช่นหลงไหลไปกับความโกรธนะอย่างที่ยกตัวอย่างเนาะไม่เอาผ่านแล้วใหร้รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างปัจจุบันนะสมมติว่าอาจจะรู้ถึงจิตเนี่ยโกรธไหมเนี่ยมันย่อมรู้ได้นะกําลังโกรธก็รู้นี่คือปัจจุบันแต่ถ้าปัจจุบันไม่มีมันก็รู้ได้ว่าเออเนาะก็ปกติ ด, ดีเนี่ยคือคือมันรู้ได้แต่ของที่เกิดเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วแหละเพราะว่าเคยทําได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยว สิ่งที่เป็นสาระสาคัญที่สุดแก่ของมันคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะระลึกได้อย่าทิ้งตรงนี้ไปถ้าทิ้งตรงนี้ไปพลาดเลยแล้วก็จะหลงไปนะกลับมาเนี่ยกลับมาอยู่กับการการพูดการถามการคุยที่เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้ที่ชํานาญในการเห็นจิตนะเห็นอาการของจิตอ่ะเออมันเป็นยังไงในปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าสุดยอดนะ แต่ถ้าไม่เห็นจิตก็เอาแค่เห็นกายที่กําลังพูดกําลังเคลื่อนไหวกำลังรู้สึก <c oughs> กําลังขยับขยับเนี่ยนะกำลังยกยๆ ก, ย ก, ยกอะไรเนี่ยตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเน้นเลยปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้นะอนะไรนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ปรารถนาดีต่อกันนะแล้วก็ตรงกับสติปัฏฐานสูตรคือปัจจุบันขณะ